อาจารย์มาแล้วตรงเวลาเป๊ะเลยก่อนเวลาสามนาทีเอาละครับเพื่อนๆครับผมขออนุญาตอนิมนต์อาจารย์ที่มาที่หน้าจอนะครับอาจารย์ครับกร่าวพิธีการครับผมยานพรหมนกท่านผู้ชมทุกท่านการอาจารย์ตอนนี้มาฟะมารอฟังกันอยู่สี่ร้อยกว่าคนครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอ่ครั้งนี้ครับอาจารย์ตั้งแต่ครั้งนี้ไปสามครั้งครับอาจารย์ผมผมจะกราบ ขอความเมตตาพระอาจารย์สอนเรื่องไปสิกขานะครับโดยครั้งนี้ก็คงเป็นเรื่องแรกก่อนเป็นเรื่องของศีลก่อนครับช่วงนี้ไปทําบุญที่วัดไหนพระพระท่านก็จะให้พรว่ารักษาศีลนะเราจะมีความสุขรักษาศีลเราจะมีโพคซัพย์ใช่ไหมครับรักษาศีลไปถึงนิพพานได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะศึกษาเรื่องศีลให้ละเอียดขึ้นกว่านี้ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผมศีลก็เป็นหนึ่งของข้อข้อวัดปฏิบัติของชาวพุทธ ผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถือว่าเป็นเป็นฐานรากของการปฏิบัติฐานแรกที่สนับสนุนการปฏิบัติฐานที่สองคือสมาธิแะฐานที่สคือปัญญาตามลําดับศีลจะสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติสมาธิ สมาธิก็จะสนับสนุนการปฏิบัติปัญญาปัญญาก็จะสนับสนุนจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือความเกี่ยวพันระหวา่างไตรสิกขาต่อวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะก็เป็นเหมือนกับการศึกษาระดับปรถมมัธยมและอุดมศึกษาศีลก็เป็นเหมือนระดับ ปสมาธิก็ระดับมัธยมปัญญาก็ระดับบุมศึกษาผลก็จะได้รับปริญญาบัตรขั้นต่างๆปัญญาตรีโทเองวิบุติหุุดพอนก็มีสี่ระดับสดามันสกิดาคามีอันากามีและอารหัน มันจะเป็นผลที่ตามมาจากการปฏิบัติไทรสิกขาแต่การปฏิบัติไตรสิกขานี้ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่จะต้องเริ่มจากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูงตามลำดับเพอความยากง่ายของการปฏิบัตินต่างกันเหมนกับการความยากง่ายของการเนนรียนหนังสือในระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษาก็มีความต่างกัน ต้องเริ่มจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปขั้นแรกก็คือศีลคือการระงับการกระทำบาปทั้งปวงศีลนี้ก็มีหลายหลายระดับด้วยกันคือมีศีลห้าระดับต้นตามด้วยศีล8หรือศีล10แล้วก็ตามด้วยศีลของพระภิกษุส2 7ข้อ สมัยที่มีพิกษูนีก็มีศีลสามร้อยกว่าข้อด้วยกันสำหรับพิกษุนีจำนวนของศีลนี้เป็นข้อห้ามเพื่อไม่ให้จิตหรือผู้กระทำไปกระทำผิดเมื่อกระทำผิดแล้วก็อย่าทำให้เกิดความไม่สบายใจซึ่งก็เป็นความทุกข์ที่เป้าหมายของผู้ปฏิบัติต้องการกำจัด คืต้องการกำจัดความทุกข์ทุกระดับเราจึงใช้ศีลเป็นการกำจัดความทุกข์ระดับหยากดรวยระดับต่ำระดับทางกายทางวาจาด้วยข้อห้ามต่างๆศีลห้าก็จะห้ามการทําบาปได้ในระดับหนึ่งนะถ้าอยากจะให้ระงับบาป ที่ละเอียดกว่าสีห่หน้าก็ต้องเพิ่มเป็นสีนแ่แปดมาจากสีลแปดถ้าต้องการที่จะให้นังนับมากกว่าก็ต้องถือสีสองร้อยยิบเจ็ดข้อพือ ไ, ไปบวชเป็นพระหรือก็ห้ามต่างเหล่านี้จะทำให้จิตไม่เป็นกระทำสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาเราทํำบาปเราไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้นเมื่อเราไปสร้างความเดือดร้านกับผู้นเขาก็ต้องตามมาล้างแค้นเรามาเอาโทษเราเราก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วเราก็ต้องมาปวิ่งตอกกลงวลันต้องคอยหลบหลบซ่อนๆ่อนน้ำถามคนที่ไปขโมยทองปนทองที่ นันท่องอยู่ว่าตอนนี้เขาอยู่แบบสบายได้ไหมเขาต้องอยู่อย่างระมัดระวังหวาดกลัวคอยหลบๆซ่อนๆ yeah. เพราะเกิดจากการกระทําบาปถ้าไม่กระทําบาปอย่างคุณหมอไม่ได้กระทําบาปคุณหมอก็สบายจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาตามจาจเร า, าเราป็นลงโทษหรือไม่มีใครจะมาร้างแค้นเราหรืเปล่าอันนี้ ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จำเป็นที่จะต้องํอาจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นท่านต่ำคือเกิดจากการกระทําต่างๆเพราะชีวิตของพวกเราทุกคนต้องมีการกระทํามีการเคลื่อนไหวเพราะเราต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพกันและการทำมาหากินเลี้ยงชีพถ้าเราไม่นอระวังท่านถูกความโลภความ รเข้ามาครอบงำก็จะนำไปสู่การกระทําบาปต่างๆได้เช่นการคอร์รัปชันที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดมาก็เกิดจากการทำมากินเรียงทีพแต่ด้วยอำนาจของความโลภอยากจะได้มากกว่าเงินเดือนที่เขาให้ก็มีช่องทางให้ ในการกระทบาบาปด้วยการคอร์รัปชันต่างๆันนี้เมื่อทาแล้วก็จะทำให้เกิดในความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคนที่มีความไม่สบายใจนี้จะไม่สามารถไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้เพราะความไม่สบายใจนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอุปสรรคขวางกั้น ที่จะทําทให้ยากต่อการฝึกสมาธิทําใจให้สงบนั่นเองดันั้นก็ต้องพยายามร่างกายกระทำบาปเริ่มต้นก็ให้ถือสี่ห้าไปก่อนเอาห้าข้อก่อนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ของฉันสัตว์จะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็ถือว่าเป็นการกระทําบาป ทำให้จิตใจไม่สบายแล้วก็ให้เล่าเว้นจากการรักทรัพย์คือไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเล่าเว้นจากการประพฤติผิดตรเวณีสำหรับผู้ที่มีสามีมีภรรยาก็ให้มีรักเดียวใจเดียวไม่ให้ไปมีนอกบ้านมีอะไรทั้งนั้นแล้วก็ ข้อสี่ก็มาให้พูดปดเะการพูดปดไม่จะทําให้เราไม่สบายใจคอยกังวลว่าคนจะถูกจับผิดหรือเปล่าเราพูดปดเพราะเวลาถ้าเขาจับผิดว่าเราทําผิดเนี่เราก็จะเสียเครดิตเสียความรู้สึกความเคารพจากผู้ผู้ที่เคยเคารพศรัทธาในตัวเราก็จะหมดศรัทธาหมดความเคารพในตัวเราได้ ถ้าเรายังอยากจะให้คนเ ข, ขาเข้าเคารพเราอยู่นะก็ไม่อยากให้ใครก็รู้ว่าเราทำบาปถ้าไม่ทำบาปได้ไม่พูดปนได้ก็จะสบายใจแล้วข้อห้านี้การเดืสดรายยาเมานี้ความจริงไม่ได้ไปทำให้ผู้เสียหายเดียบนอนถ้าเดืมดแล้วก็นอนอย่างนี้แต่มันก็ทำให้ขาดสติ ถ้าเกิดไปขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้่นเสียชีวิตทำให้ทรัพย์สินของผู้่นเสียหายได้ก็จะต้องเกิดคดีความต่างๆขึ้นมาอันนี้ถ้าไม่เดือดรุราแล้วก็จะมีสติที่สามารถควบคุมการกระทําทางกายวาจาไม่ให้ผิดศีลได้อันนี้ก็ ความจริงชวลานี้ถือว่าเป็นอบายอมุกเป็นผู้ที่จะนำไปสู่การกระทําผิดกระทําบาปพอเดินชวลาแล้วขาดสติเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่สามารถหักข้ามตนเองได้ผูดผู้จา่านำปาผู้จ่าอยากหายพู้ตาอากผู้จ่าให้ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาสนั่นนำไปสู่การทําร้ายร่างกาย หรือทำร้ายชีวิตของพูดนได้ท่านถึงห้าไม่ให้ดื่มสุราถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปถ้าดื่มอย่างเดียวแล้วก็นอนอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่บ้านดื่มสุราเสร็จแล้วก็เข้านอนถือว่าเป็นยานอนหลับไปอันนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีลอะไรก็ให้เอารักษาห้าข้อนี้ก่อนให้ได้ก็จะทำให้ ลดความไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทำห้าข้อนี้ก็จะพอให้มีเวลาที่จะสามารถมาฝึกนั่งสมาธิได้ในลำดับต้นๆืน่อจะถ้าเป็นผู้ที่เริ่มฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆแค่แครั้ังวันละครั้งสองครั้งเช่นก่อนนอนด้วยเวลาหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้ว การรักษาสี่ห้านี่ก็พอพอที่จะสนับสนุนการนั่งสมาธิได้การฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ในในระดับตน้ตนๆแต่ถ้าหลังจากที่ได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วเห็นผลจากการนั่งสมาธิว่าทําให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิมากขึ้น ก็ต้องมีเวลามานั่งสมาธิให้มากขึ้นกาที่จะมีเวลาได้ก็ต้องระงับการกระทากิจกรรมอย่างอื่เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นมาให้กับการนั่งสมาธิก็เลยต้องถือศีแลแปดศีนแปก็จะทำ สข้อหกถึงข้อแปดนี้ก็จะห้ามกิจกรรมต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธินั่งสมาธิใ น, นสิ่งข้อหกก็ภหบประทานไม่เกินเช่นวันไป้วอาเรื่องนตกอาจจะเสียงดังขึะครับคุณหได้ยินเยใช่ไอ๋อได้ยินเสียงพระอาจารย์ชัดเจนอยู่ครับพอาจารย์ครับครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรามดรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันเสร็จเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการที่จะรับประทานเพราะการรับประทานเพื่อเลียงดูร่างกาย น, นี้รับประทานแค่เที่ยงวันจึงพอเพียงไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานรุ่นค่ำรุเยน็นหรือรุ่นบ่ายก็จะทําให้เรามีเวลาที่ไม่ต้องไปกังบลหรือไปหาอาหารในะารรับประทานนี้ อำมาให้ากับการฝึกสมาธินัส่สมาธิไอ้ น, นี่หายถึงผู้ที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ทำประจรถ้า อ, อยากจะใช้เวลาของวันเสาร์วันอาทิตย์ให้กับการฝึกสมาธิก็จะถือเชียง6ถึงแ8แริกตอนเชียง6ก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวัน ทำไม้มีเวลาว่าไม่ต้องมาเสียเวลากงานแล้วก็ทให้จ่ากเร่องการแล้วก็ทำให้ใจไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานแต่ถ้าะทานที่คาดกางวลเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่จะต้องทมันก็จะทาให้ใจสนกยากแต่อยกัวลว่ถึงเวลารับประทานอาหารหรือไม่แต่ถ้าไม่รัประทานอาหารเช่าวันไปแล้วก็ไม่ต้องมากังวล เกี่ยวกับรกเรื่องการรับประทานแล้วก็การรับปร ะ, ระทนานอาหารไม่มากเกินไปก็ทําให้แก้ปัญหานเรื่องความร่วมหนือยนอนได้เรารับประทนานอาหารมากหลังจากรับประทานเสร็จก็จ ะ, ะระนนู้สึกง่วงนอนแลาไม่อยากจะนั่งสมาธิแบบนี่ก็คือข้อ6 ท, าาที่ว่าทำให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยง เพื่อที่จะได้ให้มีเวลาว่างเพื่อนทชื่อได้มาใช้กับการนั่งสมาธิแล้วก็จะทำให้ไม่วน่นวล้นก็เห็นข้อเจ็ก็ให้เราเล่าเรื่จากการพระาสัน์ครัาจารยครับเปิมอกยพอาสานย์ครับขอโอกาสแป๊บเดียวครับพระทรู้สึกว่าติดได้ยินครับแต่ว่าแตเสียงพระอจารย์เ่าครับผมขอบพระคุณครับพอาจา์ครับ สังเกตว่าเสียงาอาจารย์เบาลงโอ้ฝน oh, ตกหนักมากนะครับตอนนี้ที่วัดฝนตกหนักมากเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงครับอาจารย์แต่ว่าเสียงมันเบาลงครับคุณหมอพอได้ยินไหมครับผมได้ยินดีกว่าเมื่อสักครู่แล้วครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ก็ได้ยินครับอาจารย์แต่เสียงมันเบาไปหน่อยครับผม ค, ครับรอาจารย์ครับ โอเคพูดถึงสิ่งข้อเจ็ดสิ่งข้อเจ uh ็ด huh. ก็ให้เรายุติการหาความสุขจากการบันเทิงตา่างๆหาความสุขจากู้วกสิ่งเกิดเพราะเป็นความสุขที่ไม่ทําให้เราอิ่มทําห้เราพอไม่ได้ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์กลัจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องทุกเวลาที่เราติดการหาความสุขทางตาผู้จมูกจิตใจ ถ้าเวลาไม่สามารถหาได้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดใจขึ้มนมามันก็ให้พยายามเลือกการหาความสุขเป็นวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการดูภาพยนตร์ร้องรำทําเพลงหรือไปงานสังสรรค์อะไรต่างๆนี้ก็ให้เอาเอาเวลาที่ทํากิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการฝึกสมาธิหาความสุขจากการทํำใจให้สงบ อันนี้คือสิงห้อเจ็ดสิข้อแปก็คือไม่ให้เรานอนบนเตียงเก่สําราญเพราะว่ามหาเรียงใหญ่ก็่หมายถึงความสําราญความแสนสบายที่นั่งที่นอนที่โรโหร า, าไม่ให้ไม่ให้เราใช้ที่นํางทีนอนที่มโหลาสังเกตไห้เขาจะทําบอะใหญ่ๆนุ่มๆให้นั่งนั่งได้นานๆสบายให้นอนได้นานๆ อันนี้ก็จะทําทให้เสียเวลากับการปฏิบัติเพราะนอนมากเกินไปนผู้ปฏิบัติได้ผู้เจ้า ส, สอนให้นอนแค่คริมสี่ชั่วโม ง, งการที่จะนอนน้อยแต่พอเพียงต่ อ, อ ก, การต้องการของร่างกายก็คือให้นอนบนที่นอนที่นนทมันแข็งทีมันไม่นุ่มเช่นนอนบนตีนไม้ปูด้วยเสือ่อปูด้วยผ้าหรือนอนกับพื้น อันนี่ก็จะทำให้นอนไม่ค่อยสบายแต่ถ้าร่างกายถึงเวลาต้องการที่จะพักผ่อนก็จะหลับได้ไม่ยากแล้วมันพอได้รับการพักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาจิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายคือมันแห้ง น, นอนแล้วเจ็บหลังปวดหลังก็จะทำให้ไม่ไม่นอนต่อ แต่ถ้านอนบนนอนบนทะุ่งหนือหนานอนแบบที่นอนที่สบายแม้ว่าร่างกายได้รับภัาผ่อนคอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะก็มีการนอนต่อทำให้เสียเวลาไปโดยใช่เหตุเราต้องการที่จะเอาเวลาของเราที่มีจำกัดนี้มาใช้กับการปฏิบัติเื่อการฝึกสมาธิให้มากที่สุดบล้าดีมากเลย ต้องถือศีลข้อแดนี้อันนี้สำหรับผู้ที่ครองเวนที่ยังเป็นคารวาสแต่ถ้าไปบวช น, นี้ก็จะมีกฎระเบียบ้อบางค้ั้ห้ามทำกิจกรรมเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆที่ทำให้เสียเวลากับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งเป็นศีลที่เรายู่ขึ้นไปสำหรับของผู้ที่มาบวชสินห์นครั บ, รบอันนี้า ค, คือศีลข้อต่าง ที่ามาฝากมาอธิบายให้ท่านฟังในวันนี้ถ้าคิดว่ายังไม่ละเอยียดพอนี่ก็ขอเชิญถามถามต่อได้ันนี่ก็พูดเท่าที่จะขอให้เข้าใจโดยสังเกตว่าหน้าที่ของศีลมีไว้เพื่อห้ามไม่ให้ไปทํำสิ่งที่จะทําให้เกิดความไม่สบายใจไม่ทาให้ต้องไปมีปัญหาต้องไปเคลียร์ปัญหากับคนนั้นคนนี้บางทีถึงกับขึ้นรงขึ้นศาลขึ้นมา เอาเวลามีค่าไปไปแก้ปัญหาที่เราไม่ควรที่เราสร้างขึ้นมาเองที่เราสามารถห้ามตัวเราไม่ให้สร้างขึ้นมาได้ถ้าเรารักษาศีล ไ, ได้อาจารย์ครับผมถามต่อ น, นิดเดียวครับอาจารย์ครับอย่างนี้เอถ้าศีลไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะไปถึงสมาธิไม่ได้เลยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ไปได้แต่มันไปแบบน้อมนุม่งคลุกขันเพราะว่ามันจะ มีอุปสรรคถ้าเราเดินชราแล้วไปนั่งสมาธินี่มันจะนั่งไม่ไม่ค่อยไหวมันพะมันเงินเมาแล้วไม่มีสติที่จะนั่งได้หรือถ้าเราไปมีเรื่องมีราวกับใครทะเลาะวิวาสเวลามานั่งบางทีใจจะคิดถึงคนที่เราทําให้เราโกรธนี้เราก็ทําให้การนั่งสมาธิมันยากถ้าเราไม่มีเรื่องมีราวกับใครไม่ไปทําอะไรเสียหายไม่ทํางมาวิตกกังวลหวาดกลัว เป็นอาณาสมาธิก็จะใจก็จะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมาคอยรบกวนการฝึกสมาธิของเราครับขอบพระคุณพอาจารย์ครับเดี๋ยวจะเป็นคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับผมคุณแมนครับบอกว่าหมวดศีลในมรกแดถ้าเราพลั้งเผลอผิดบางส่วนเช่นพูดเพ้อเจ้อจะถือว่าขาดจากศีลห้าข้อมุสาไหมครับในขในศีลข้อห้านี้ในศีลห้านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่อง เรื่องเรื่องการพูดเพอเจอร์หรือพูดคํายากเรื่อพูดส่อเสอียดเพียงแต่พูดแต่คําไม่ให้พูดไม่ให้พูดปลดมดเท็จเท่านั้นเองยันไม่ถือว่าผิดศีลท่าแต่ศีลแปนี่เป็นศีลในมรรคแปดนี่เป็นศีลที่พระเจ้าทรงสอนภาะภิกษุถึงพระภิกษุนี่จึงต้องต้องรักษาศีลที่ละเอียดกับคารวะผู้คลองเนี่ย กา่าะวานี่เพีแต่ไม่ให้พูดปทก็ก็ก็พอแล้วแต่สาหรับผู้ที่เป็นนักบวชนี่ต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่มีการใช้พรุสว่าคำหยาบต่างๆไม่พูดเพื่อเจอพูดเรื่องไร้สาระเสียเวลาเหมือนกับชาวบ้านที่ก็ชอบคุยกันเรื่องไร้สาระต่างๆเพื่อความสนุกเพื่อความเพื่อความสนุกสนานความตลกโปกฮาแล้วพูดกันไป แต่เป็นพระพูดไม่ได้ไม่ให้พูดเรื่องราวต่างๆที่ไร้สาระแล้วก็ไม่ให้พูดในทํานองที่จะยุยงให้เกิดความแตกแยากเกิดความเสียหายแตกความสามัคคีกันอันนี้อยู่ในเป็นสินของพระมากกว่าเป็นรับ จากคุณนรยาครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคนที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยความหลงผิดแต่ไม่ตายสุดท้ายแล้วชั่วชีวิตไว้ได้ทันแบบนี้ถือว่าได้ทำปาณาติบาหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่ถือว่าได้ทำปาณาติบาเพราะการทำบากนี้จะต้องมีเจตนาและมีการการะทำแล้วก็มีการการตายขึ้นมาถึงนีเรียกว่าถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ถึงนี้นี่กเป็นการการะทาบาปอย่างสมบูรณ์ อย่าทำแล้วยังไม่ตายนี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้ผิดข้อการทำฟานาติบายังไม่ได้ฆ่าคุณเจี๊ยบครับปฏิบัติทำแล้วการเป็นคนเฉยชาในความคิดทางโลกจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีคะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะก็ไปบวชเลยถ้าเฉยชาทางโลกแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปในทางโลกทาไมจะได้เวลา ปฏิบัติ ท, า ท, าทาํา ม, ท า, ามจากคุณอุ้งครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการพิจารณาอารมณ์ในจิตในสติปัฏฐานสี่อารมณ์ในจิตที่เกิดในชีวิตประจำวันเกิดจากความอยากอย่างเดียวหรือคะก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันที่จะทําให้เรามีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาสิ่งที่มากระทบทางตาหูจหมูกนิ้วกายก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้ เ, เมื่อกี้ฝนตกใน่นควบคุมอารมณ์ก็อาจจะเกิดหมดเย็ดขึ้นมาก็ได้โอ้เสียงดังบรบกวนการการการทำงานของเราอยู่ในตอนนี้เดี๋ยมันมีหลายอย่างด้วยกันมีทั้งสิ่งที่มาจากภายนอกคือมาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มาจากกิเลส ข, ของเราความรักชามกลัวหลงมันก็จะทำให้เกิดมีการแปรปวนของอารมณ์ชนิดต่างๆขึ้นมาในจิตของเรา แตคุณสารวิทย์ครับสวัสดีครับฝากเรียนถามว่าถ้าเรารักษาศี่ห้าจะปิดอบายได้หรือไม่ครับถ้ารักษาได้อพระโสดาบันคื อ, อยอมตายถ้าต้องมาแลกรางนักแลกรางการทําบาปประการการเสียชีวิตนี้ก็จะเปิดอบายได้หน่อยเปอร์เซแต่ถ้ายังยังบางครั้งยังต้องเลือกระหว่างการกระทําบาปเพื่อรักษาชีวิตอยู่เช่นบางเวท บางเวลาอาจจะไปอยู่ในที่กันดารไม่มีอาหารรับประทาน mm. ก็อาจจะต้องไปยิงนกตกปลาเพื่อเอามาเลี้ยงชีพอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่ายังทําบาปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวบา้บางโอกาสบางเวลาถามว่าจะปิดอบายได้หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญที่เรามีอยู่นี้บุญที่เราเคยทําไวน้นี้มีพอที่จะต้านบาปที่เราทําได้หรือไม่ ถ้าเราทำบุญด้วยทำบาปด้วยช่วงเวลาที่เราจะตายนี้บากระ บ, บุญก็จะเป็นผู้ที่มาแย่งเอาดวงจิตของเราไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญที่เราทำไม่มีกำลังมากกว่าบาปก็จะเดินเราไปทางสวรรค์ก่อนแต่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญที่เราทำไว้บาปก็จะเดินเราไปทางมรรบาย ท, าทันที คุณดวงตาครับกาพระอาจารย์ค่ะขอเมตตาอธิบายคําว่าเรามีกรรมเป็นเผาพันเรามีกรรมเป็นแดนเกิดสาทุก ค, ค่ะคําว่าเรามีกรรมเป็นเผาพันก็คือคนเราเนี่ยมีมีพันดีและพันไม่ดีไงคนดีและคนไม่ดีแล้วเวลาเราว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นชั่อคนนั้นเลวนี่เรีก็เป็นเผ่าพันแล้วสิ่งที่ทําให้เขาดีเขาชื่อเขาเลวนี่นก็เกิดจาก การกระทำของเขานั่นเองใช่ไหมถ้าเขาคอยทําบาปอยู่เรื่อยๆนี่เขาก็จะถือเราก็จะเรียกเขาวเป็นคนเลวแต่ถ้าเขาไม่ทําบาปเขาทำแต่บุญนี่เราก็จะเรียกเขาว่าเขาเป็นคนดีี่การกระทําของเรานี่มันก็จะเป็นตัวชี้บอกว่าเราเป็นเราจะเราเป็นเผ่าพันธุ์ชนิดไหนเป็นพันธุ์ดีหรือพันชั่วพันธุ์เลวหรือพันธุ์พันไม่เลวอยู่ที่การกระทําของเรานั่นเอง แล้วก็กรรมเป็นพาให้เราไปเกิดเป็นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนราฉานนี่ไงถ้าเราทําบุญเราไม่ได้ทําบาปเวลาตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก่อนแล้วพอบุญที่ส่งให้เราไปเป็นเทวดาหมดกําลังลงเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็เกิดจากการทําบุญไม่ได้ทําบาปถ้าเราทําบาปพอตายไป เราไม่ได้ทําบุญใดเรวก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานจังหวะบาป ท, ที่หนึ่งให้เราไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานหรือนึกกว่านั้นไปนรกนี้พอหมดกำลังลงมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันไปคุณศรัทธานะครับบอกว่าขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับผมตอนนี้ผมเจอหมู่มารมาประจน l ทั้งภายนอกทั้งภายในผมต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรถึงจะเอาชนะหมู่มารทั้งหลายที่มาประจนกับตัวกับผมเองให้ผ่านพ้นไปได้ครับ ก็ท้อมอาศัยการมีสติเป็นเครื่องมือพยายามใช้สตินี้คอยละงับความคิดที่จะทำให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้่นถ้าเรามีสติควบคุมจิตใจให้จิตใจสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาได้เราก็จะไม่ตอบโต้กับพวกมาทั้งหลายที่มาระจน เราก็จะทําใจเฉยๆได้ไม่เต่าไปมีเวรมีกรรมกับใครแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของเราได้เราก็มักจะไปตอบโต้กลับมาที่มาประจมก็จะทําให้เกิดมีปัญหามีเรื่องมีราวเพิ่มขึ้นไปจนมานปลายการเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้งนั้นต้องพยายามไปปรีวิเวกไปฝึกสติไปนั่งสมาธิ แล้วเราจะมีความสงบมีความเย็นสบายมีความสุขใจมีอุเบกขาแล้วเวลามีใครมาก่อกวนเราเราก็จะทนได้เราก็จะไม่ตอบโต้เราก็จ ะ, อะยอมรับว่ามันนาจจะเป็นวิบากกรรมของเราที่ยังจะต้องเจอมาเหล่านี้อยู่เมื่อเราไม่ตอบโต้ต่อไปวิบากกรรมของเราหมดมาเหล่านี้มันก็จะ กา ร, รการประจนมาที่ดีที่สุดก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่คุณเบกกี้ครับการเรียนถามพระอาจารย์ขอโอกาสค่ะการใช้ชีวิตในทุกวันหากเราพบเจอสิ่งถูกใจบ้างที่ไม่ถูกใจเราบ้างเราควรนําหลักธรรมมาพิจารณาโดยนําหลักธรรมแต่ละข้อมาใช้แล้วทาให้จิตวางจางคลายลงหรือเราควรหยุดตัดความคิดเลย และวางเฉยอุเบกขาไม่ต้องพิจารณาหลักธรรมกลับขอประคุณเจ้าค่ะถ้าเราไม่พิจารณาหลักธรรมเราใช้สติคือหยุดความคิดมันก็จะทำได้ชั่วคราวคือทำให้เราววยวางได้ชั่วคราวแต่พอเวลาใดที่เรากลับไปคิดกลับไปเจอเรื่องราวต่างๆขึ้นมาใจของเราก็จะมีความ ทุกทําให้เราวุ่นวายใจถ้าเราต้องการให้ใจเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราวุ่นวายใจเราก็น้่งหัดพิจารณาหลักธรรมคืออนัตตาอนิจจ์ว่าทุกอย่างมันมีทั้งดีมีทั้งเชื่อในในโลกนี้มีที่ของที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นเหมือนกับภาวะทางธรรมชาติ เป็นฝนตกแดดออกอากาศเย็นอากาศร้อนอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แต่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ด้วยการไม่ต่อต้านเขาเขาจะมาแบบไหนเราก็รับร้อนก็รับได้หนาวก็รับได้ฝนตกก็รับได้ฝนไม่ตกก็รับได้ทั้งใดเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่า เราอยู่ในโลกของอนิจจังไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตา่างๆและเราก็ไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไปควบคุมบังคับเขาได้เขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นอนัตาไม่มีตัวตนในตัวในสิ่งเหล่า น, นั้นถ้าเราสามารถพิจารณาด้วยด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้นี้เป็นตายรักได้แล้วทําใจให้เราปล่อยวางได้ วางเฉยได้มีอุเบกขาเราก็จะไม่มีปัญหากับสิ่ตงต่างๆต่อไปอย่างท้าววร์แต่ถ้าเราใช้การหยุดด้วยความคิดพอเรากลับมาคิดใหม่พอมาสัมผัสใหม่ขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมแต่เบื้องต้นบางทีถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญาได้สอนใจให้ปล่อยวางได้ก็ใช้สติหยุดความคิดเว้ชั่วคากําใจให้นิ่งให้สงบเป็นอุเบกขา ให้แล้วค่อยเอาเวลาที่ใจมีอยู่เบกขาแล้วมาสอนใจให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วต่อไปเวลาเจอสัมผัสกับสิ่งต่างๆเ้าก็ใช้อนิจจังทุกขงังอนัตตานี้มาปล่อยวางได้คุณธีระครับกาญมณสะกา ร, การครับ จิตวิญญาณจิตเดิมแท้ธาตุรู้จิตพระอรหันต์มีลักษณะเหมือนโดยแตกต่างกันครับเป็นตัวเดียวกันจิตคือผู้รู้ผู้คิดนี้แล้วก็มีสถานภาพที่เราเรียกต่างๆกันเช่นเวลาเวลาจิ ต, จตผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ตามไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วก็รียก็เป็นจิตวิญญาณเป็นดวงวิญญาณเป็นยนส่วนจิตเดิมแท้นี่ก็หมายถึงเวลาจิตเข้าสู่ความสมบ ละงับค ว, ความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เข้าถึงจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นี้ก็จะไม่มีการคิดปรุงแต่งจะนิ่งสงบอยู่ในสมาธิเรียกว่าจิตเดิมแท้ธาตุรู้ก็คือจิตนที่เราเป็นหนึ่งในหกธาตุของมหาธาตุทั้งหกที่งคือดินน้ำลมไฟอวกาศสธาตุธาตุรู้จิตก็คือธาตุรู้ จิตของบ้านร้านก็คือจิตของผู้ที่หลุดพ้นจากของทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจเราก็เรียกจิตนั้นว่าเป็นจิตของบ้ า, านแต่ก็เป็นจิตเป็นตัวผู้รู้ผู้คิดตัวเดียวกันนี่แต่มีต่างสถานภาพเหมือนเวลาเราเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กชายเด็กหญิงพอโตขึ้นล้วก็เป็นนายเป็นนางสาว พอไปแต่ ง, งานนางสาวก็กลายเป็นนางขึ้นมาเป็นต้นเป็นการเปลี่ยนสถานภาพตามความตาม่ตางๆเปลี่ยนแปลงของของของสถานภาพของของของบุคคลนั้นเช่นเดียวกับจิตจิตก็มีสถานภาพที่เราก็ใช้เรียกต่างกันไปแต่เป็นจิตตัวเดียวกันผู้รู้ผู้คิด คำถามจากคุณเปตองครับก่อนอนุญาตถามพระอาจารย์นะครับถ้าเราไหว้เทวดาเจ้าที่เทพเจ้าพระภูมิแล้วเราไหว้แบบไม่อ้อนวอนไม่ขอพรจะเป็นโสดาบันได้ไหมครับคือการเป็นโสดาบันนี่คือเป็นการมีครูยึดพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์พรเห็นว่าเป็นเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนเรื่องจริง แพวกเทวดาเจ้าที่ทั้งหลายนี้ถ้าเราไปไหว้เขาด้วยความเคารพไม่เสียหายไหว้ได้แต่ถ้าเราไหว้เขาในฐานะให้เขามาเป็นครูอาจารย์สอนเรานี่ก็ไม่ได้เพราะเขายังเป็นผู้มีอวิชชาโมหะอยู่ในใจของเขาอยู่ถ้าสายเขาเป็นอาจารย์สอนเราเขาจะสอนให้เราหลงทางได้แต่การให้ความเคารพต่อบุคคลที่สมควรแก่การเคารพนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งนะใน นั่ทําคําสอนในมงคลามศัิ์เพราะว่าเจ้าทรงสอนมาบูชาจะบูชายานามเอตัมมังคารุตตังบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเช่นบูชาบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนตามสถานศึกษาต่างๆนี่ท่านก็ให้ความรู้กับเราท่านก็เป็นบุคคลที่เราสมควรที่จะกราบไหว้บูชาได้ไม่เสียหายตรงไหนแต่การการเคารมนับถือ เพื่อให้มาเป็นผู้ชี้บอกวิธีที่ถูกต้องกับการดําเนินชีวิตของเรานี้เราต้องยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เท่าทนั้นถึงจะได้การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนอกนั้นั้เขายังไม่สามารถที่จะสอนวิธีดําเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับเราได้คุณแพทครับข อ, ขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนําการออกจากสมาธิอย่างถูกวิธีด้วยคะ่ะก็ อ, อกด้วยสตินี่แหละเข้าก็เข้าด้วยสติเวลาออกก็ออกด้วยสติ ก็ใ้รู้ว่าเราที่จิตเราเริ่มคิดนปรุงแต่แล้วนะแต่เราก็จะคอยควบคุมความคิดนปรุงแต่ให้คิดแต่เฉพาะสิ่งที่คนต้องคิดสิ่งที่ยังไม่ต้องคิดก็ไม่ให้คิดก็ยังออกมาจากสมาธิเหมือนตอนก่อนที่เราเข้าสมาธิตอนเราเข้าสมาธิเราก็คอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปุุงแต่งให้มีสติอยู่ครับพุโทโธก็ได้หรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ เวลาออกมาก็เหมือนกันเอามาก็มีสติดําเนินการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่ากำลังกำลังนั่งอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับกิริยาการของร่างกายหรือถ้าเราใช้คําบริการพุโทโธก็ให้อเอาบริการพุโทโธต่อไปอย่าปล่อยให้จิตไม่มีการควบคุมมั้งครับไม่ใช่บออยากสมาธิมาปั๊โอ้ยอยากกินนดความาอยากจะดูนั่าเปิดปุ๊บเลย อย่างนี้ก็เรียกว่าออกจากสมาธิโดยไม่มีสติเร า, าต้องการควบคุมทําในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราควรจะทําำต้องต้องทําแต่สิ่งที่ไม่ควรทำก็ไม่ต้องทําแล้วก็อย่าปล่อยให้มันทำรักษาสติต่อไปควบคุมจิตใจต่อไปเพื่อเวลาจะนั่งสมาธิคราวหน้าจิตจะได้สงบได้ง่ายแต่คุณมีนัสครับขออนุญาต ครับอนเรียนถามครับผมการที่มนุษย์ทำดีทำบาปเท่าไหร่มากน้อยต่างกันผู้ที่กำหนดนั้นจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเหมือนเราสอบก็เอาคะแนนเป็นตัววัดว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านกับขอความเมตตาด้วยครับเกื้อ <c oughs> ใจเรานี่แหละเป็นผู้ที่วัดว่าผลของการทำดีกับทำชั่วก็คือความสุขควาทุกข์ในใจเราถ้าเรามีความทุกข์มากก็แสดงว่าเราทำบาปมากกว่า ถ้าเรามาีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็แสดงว่าเรามีความเราทำความดีมากกว่าทำความชั่วนะได้อีกอย่างนึงก็คือเวลาเรานอนหลับถ้าเราฝันดีมากกว่าฝันร้ายก็แสดงว่าเราทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็แสดงว่าเราทำบาปมากกว่ า, าทำบุญนี่ก็เกิดเป็นเครื่องวัดคือใจแล้วเนี่ยจะเป็นผู้วัดคุณมยุรีครับกลบเป็นถามครับ ภาวนาแล้วลมหายใจละเอียดจนเหมือนไม่ได้หายใจแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะก็ดูต่อไปดูเท่าที่จะเห็นไม่เห็นก็ดูความว่างไปดูว่าใจเรายังทำหน้าที่เหมือนเดิมอยู่เหมือนตอนที่เราเห็นลบอย่าปล่อยให้ใจเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็ไปเฉลยทะเลทะลายไปคิดเรื่องนูง้เรื่องนีง้เรื่องไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องอนให้อยู่กับ ที่จุดที่เราดูลมต่อไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่มีลมให้ดูก็ดูความไม่มี่มไปเพราะตอนนั้นช่วงนั้นจิตก็จะใกล้เข้าสู่ความสงบแล้วงั้นอย่าอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทำอะไรทำเหมือนที่ตอนที่มีลมคุณวรีวันณครับกลับยนถามพระอาจารย์ค่ะหนึ่งพบคือหนึ่งชาติเข้าใจถูกต้องไหมคะขอความเมตตาด้วยค่ะ คงอย่างนั้นนันก็มันคําว่าพบกับชาตินี้มักจะเป็นเหมือนกับเป็นหนึ่งชาติที่อาจจะหมายถึงการเกิดพบก็คือที่เราที่เราไปเกิดพบของมนุษย์พบของเทวดาพวกของพรหมชาติก็คือหนึ่งครั้งของการเกิดมาเกิดเป็นพรหมหนึ่งครั้งก็หนึ่งชาติมาเกิดเป็นเทวดาหนึ่งครั้งก็อีกหนึ่งชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็อีกหนึ่งชาติ คุณมนพัฒน์ครับกานักระการพรอะอาจารย์เจ้าขาขอเรียนถามถ้าเอาเงินที่ได้จากดอกเบีย้ยไปทําบุญกระถิ่นจะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าเป็นของเราได้มันเป็นเป็นของเราดอกเบีย้ยนี่ก็เป็นถือว่าเป็นรายรายรับที่เราได้มาโดยสุจริตเหมือนกับทํางานแล้วเราได้เงินเดือนเราเอาเงินเดือนนี้ไปทําบุญทอดกรถินหรือทําบุญแบบไหนก็ได้ก็ได้บุญทั้งนั้น คุณพัฒนาในครับจะทํายังไงให้ระงรับความโกรธที่เขารอได้ครั บ, ววรนะรบก็เรายอมรับว่าละห้ามเขาไม่ได้นะฮะเหมือนกับเรายอมรับฝนตกเมื่อกี้ฝนตกเสียงดังลั่นเราก็ห้ามห้ามมันไม่ให้มันส่งเสียงดังได้เราก็ทําใจเฉยๆไปที่ว่ามันเรื่องสุดวิสัยเป็เรื่องอยู่ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปบังคับเขาได้เราก็มาระงรับความโกรธที่ใจเรา พอเรายอมรับได้ใจเราก็จะหายโกรธที่เราโกรธเพราะเราเราเราไม่ยอมรับเราต้องการให้เขาไม่ต้องการให้เขารอเราเราต้องการให้เขาดีกับเราอย่างนี้ก็ทําให้เราโกรธได้แต่ถ้าเราบองว่าเขาเป็นสิ่งที่อยู่ในเหนือวิสัยสุดวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาได้เหมือนกับดินฟ้ากันเราก็ต้องยอมรับเขาแล้วก็หยิ่กับเขาไป พอเรายอมรับเขายอมรับให้เขารอรอดได้อา ย, ยากจะรอดข็รอดไปแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้จะทํำยังไงก็ปล่อยเขาล่อลไปพราะเราเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อต้านเรายอมเราหยุดใจเราก็จะเย็นขึ้นมาต้อใช้สูตรสามยอมยอมหยุดเย็นยอมรับกับสภาพของเราที่จะต้องเจอกับสิ่งต่างๆแล้วหยุดต่อต้านพอเราหยุดต่อต้านได้ใจเราก็จะเย็น คุณเดชามแฟร์เวลเลอครับกราดธรรมสักการครับทําอย่างไรจะ ก, ก้าวหน้าไปเรื่อยๆมากๆครับก็จะเริยนสติไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นถึงจะเหมือนกับขับรถเนี่ยถ้าเหยียบอยู่เหยียบคันเร่งอยู่ในระดับเดิมก็วิ่งได้แค่ระดับเดิมถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วกว่านั้นก็ต้องกดคันเร่งให้มันมากขึ้นลงไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้ก้าวหน้ามากขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นไป คุณกันนิกาครับการนัมรสการค่ะขเขาเรียนถามว่าการนั่งสวดมนต์ช่วยให้เกิดครบทั้งศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่คะการสวดมนต์ที่ช่วยเราได้สติและทำให้จิตเราใกล้เข้าสู่การการได้สมาธิการจะได้สมาธินี้ต้องต้องหยุดสวดหลังจากสวดไปสักพักแล้วใจเริ่มเย็นสบายแล้วพอที่จะออดูงลมหายใจได้เราก็ดูงลมหายใจต่อแล้วเดี๋ยวก็สามารถเข้าสู่สมาธิได้ แต่ปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้เกิดจากการศึกษาการการคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลจฉยเรียกว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากการรักษาศีลไม่ได้เกิดจากการส่วนบนยกเว้นว่าบนที่เราส่วนนี้เป็นภาษาที่เราเข้าใจเพราะบนส่วนใหญ่นี้จะเป็นคําสอนของมุขมุทธาจา ถาเราสวดถ้าเราสวดคำแปลด้วยเราก็จะได้ปัญญาในระดับต้นระดับที่หนึ่งเรียว่าสุดตามะยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเรียนแต่ยังไม่พอปัญญาณและขั้นต้นนี้ยังไม่สามารถนํามาไปดับกิเลสดับความทุกข์ในใจเราได้ต้องนํามาไปพัฒนาให้เป็นเป็นขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลําดับพอได้ถึงขั้นที่สามแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญาเนี่ยมาดับความทุงข์ต่างๆได้ คุณจีรสักครับขอถามพ่อแม่ครูอาจารย์ครับถ้าใจเป็นกลางหรืออุเบกขาด้วยปัญญาจิตจะเป็นผู้รู้เฉยๆใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ไม่ว่าจะเป็นเป็นกลางด้วยปัญญาหรือสติจิตตอนนั้นก็จะถัดแต่ว่ารู้เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับเลมไม่รักไม่ฉับไม่กลัวไม่หลง คุณยศวัตรครับกาเปียนฐานด้วยความสงสัยครับพระพุทธเจ้าเคยได้ไปเกิดที่ประเทศอื่นเช่นจีนยุโรปในอดีตชาติของพระองค์ด้วยไหมครับท่านก็เล่าในสิบชาติแต่ท่านไม่ได้พูดถึงประเทศต่ตางๆท่านว่าเกิดท่านเคยเกิดเป็นเป็นพระเวชสันดรเป็นพระเตมีแต่ไม่ทราบว่าอยู่ในนครไหนแคว้นไหนเราไปศึกษาพระพระเจ้าสิบชาติดู นั่นหลคือประวัติของการเกิดขำว่าพระเจ้าอาจารย์ครับผมยังเคยอ่านแล้วก็สงสัยในไทม์ไลน์นะครับอาจารย์เวลาที่โลกเกิดเนี่ยครับผมยังคิดว่าอดีตชาติผู้เ จ, จ้าอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เป็นไปได้เพราะว่ า, วาดาวที่เราอยู่นี้มันก็มีอายุขของวันวันหนึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะรองรับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ อาจจะเกิดมีขาดอากาศขึ้นมาหรือขาดน้ําทั่วอะไราต่ตางๆขึ้นมาทําให้สิ่งที่มีชีวิตนี้ตายไปหมดก็ได้แต่ดวงวิญญาณไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังวิญญาณที่สามารถไปหาร่างกายที่อยู่ในโกอกอื่นได้เพราะในจั ก, กรวาลอั น, นยิ่งใหญ่นี้จะมีโลกเราโลกเดียวหรือที่สามารถรองรับการมีสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรามีแต่นอก น, นี้ได้มันน่าจะมีต้องเยอะแยะเพ่งแต่ว่ามัน ใหญ่มากแล้วมันไกลามากกว่าความสามารถของเราที่เราจะสามารถไปสำรวจได้เท่านั้นเองพูดตามหลักทำแล้วมันมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีวันสิ้นสุดสัทีแล้วมันก็แสดงว่ามันต้องมีที่ที่ทําให้มีมนุษย์มีสัตว์ในราชาให้ไปเกิดได้อยู่ด้ว ย, วยถ้าไม่ดวงนี้ก็ต้องมีถ้าไม่ดวงดาวดวงนี้ก็ต้องมีดวงดาวดวง ซึ่งขนาดนี้อาจจะมีหลายแย่ๆไปหมดก็ได้เพียงแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลจากเรามากจนทั้งเราไม่สามารถติดต่อกันได้เราก็เลยอาจจะคิดว่าเราเป็นเป็นดวงดาวดวงเดียวในจักรวาลที่มีผู้มีชีวิตอยู่แล้วบาทีเราหลังจากพมนี้ตายไปเราอาจจะไม่ได้มาเกิดในดวงดาวดวงนี้ก็ได้อาจจะไปเกิดดวงดาวดวงนึงซึ่งอาจจะเจริอมกับดาวดวงนี้ก็ได้ หรออาจจะร่าสมัยเกิดดาวดวงนี้ก็ได้อาจจะไปเกิดในดวงดาวที่ยังอยู่ในยุค ข, ของไดโนเสาร์ก็ได้หรือไปเกิดอยู่ในดวงดาวที่อยู่ในยุคที่มันจเจริญกับเราร้อยห้าร้อยปีพันปีก็ได้แต่มันก็จะเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่โลกยุคไหนสมัยไหนก็ยังมีความโลภโกรธหลงมีความรักความชังมีความแก่งแย่งชิงดีกันอะไรเหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ในในในในยุคไหนก็จะ เพรดวงจิตที่ไปเกิดมันมันเป็นจิตตัวเก่าตัวแสดงตัวเก่ามีความโลดความกดความหลงตัวเก่าติดตัวไปด้วยเสมอคุณจันณภาครับา ก, การธรรมสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามถ้าเรามีความเข้าใจว่ากายเป็นเพียงธาตุสี่จิตเป็นผู้ที่รับรู้สภาวะสุขทุกข์ที่รับทางกายหากทําได้มันก็ปล่อยทุกข์ใช่ไหมครับและแบบนี้จะไปเกิดใหม่หรือเปล่าครับในเมื่อเราเข้าใจว่าเป็นสภาวะไม่มีตัวตน ถ้าเราปล่อยได้จริงถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ังไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายต่อไปแต่ถ้าเราถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายเราเป็นทาสี่อยู่แต่เรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราอยู่เราก็ยังจะกลับมาเกิดเพราะเรายังมีความอยากหาความสุขจากการใช้ร่างกายอยู่นั่นเองงนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมีร่างกายเราต้องเลิกใช้ร่างกาย อย่างเช่นพวกนักบวชนี่เขาไปฝึกหัดเลือกใช้ร่างกายไม่ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเวลามาหาเศพความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพวกนี้ถ้าเขามาลุถึงขั้นขั้นที่สขั้นอนาคามมได้เขาก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกต่อไปแต่ก็ยังต้องไปเกิดในโลกของพรมเพราะว่าเขายังอาศัย ความสงบของจิตเป็นที่เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเขาอยู่คือความสุขที่ได้จากรูปปัจจานะ ร, รูปปัจจานนั่นเองแต่ถ้าเขาไม่ต้องการไปเกิดในพรหมโลกเขาก็ต้องตัดการหาความสุขจากรูปปัจจานและรูปปัจจานเขาถึงจะออกจากปลายภพได้อย่างได้เหลี่ยงเท้ า, ทาวอนได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ที่ฟ้าวิญญานที่ไม่มีความอยากต่างๆต้องเหนืออยู่ภายในจิตใจต่อไป ถ้ายาำไม่อยากจะกลับมาเกิดต้องต้องกําจัดความอยากสาระการภาวหาภาวนาร่างวิภาวหาการภาว ห, ห, หาก็คือความหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกาอันนี้ก็จะทําให้เราไม่กลับมาเกิดในกามาพบถ้าเราละ ก, การหาความสุขจากรูปประชานได้ละภาวหาได้เราก็ไม่ไม่ไปเกิดในในในพบของรูปประพง์และถ้าเราละ ก, การ หากวามสุขจากอารมูปประชานได้วิภาวันตนาได้เราก็จะไม่ไปเกิดในอรูปประพงชั้นรูปประพงเราก็จะไปอยู่ที่นิพพานแทนคุณเจครับการพิสการพระอาจารย์ถ้าเราทําบุญบ่อยครั้งถวายเพนสังฆทานและให้ทานแก่เพื่อนมนุษย์สัตว์เราสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมเพราะหนูไม่ค่อยได้สวดมนต์และนั่งสมาธิบ่อยครั้งค่ะสวดก่อนนอนทุกวันแต่ไม่ได้สวดยาวเจ้าค่ะ อ๋อไม่ได้เราถ้าทำทานอย่างเดียวนี่ก็จะยังต้องกรรมาเกิดเองบรรุุเป็นพระหลัไม่ได้การจะบรรลุเป็นพระหลนหนังนได้นี้ต้องต้องปฏิบัติทั้งทาน ท, าทาั้งศีลทั้งภาวนาจนกว่าจะกำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปคือการมารตนะพระวัฒนะและวิภพระวัฒนะได้ถึงจะสามารถที่จะทำให้บรรลุเป็นพระหลั ไปตองครับข อ, อนิย่าสอบถามพระอาจารย์ครับถ้าพ่อแม่ป่วยแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าส่งไม่ทันเสียชีวิตก่อนจะถึงโรงพยาบาลถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทําร้ายท่านท่านสิ้นลมด้วยด้วยอํานาจของความไม่เที่ยงของร่างกายเราทําบุญเราพยายามทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ไม่ถือว่าเป็นการทําบาปเป็นการทําบุญ คุณฟ้าสวยครับลูกบวชชีพราม์อยู่ที่วัดยานนะสังวรารามตอนนี้ฝนตกหนักมากรู้สึกปิติมากอ๋อเพราะเราไม่ใช่คำถามครับก็ดีอยู่ว่าเอาฟ้าสวยทะเลใสอยู่วัดเดี๋ยวิ่งนี้สายบานคงจะได้เจอกันคุณอุมาครับหลวงพ่อเจ้าค้าหนูเห็นว่าธาตุขันนี้ไม่เที่ยงและการเกิดอีกเป็นทุกข์อย่างมากพยายามฝึกปฏิบัติ ด, ดูกายดูใจ มันเหมือนแรงชักกระยืดที่ต้องให้หนูถอยกลับเมื่อยิ่งเดินหน้าไปไกลก็ต้องถอยกลับไปเริ่มใหม่เพราะบวงห่วงหน้าที่อัตตาและความรับผิดชอบต่อพ่อแม่สามีและลูกเมื่อเดินหน้าไปแล้วใจมันกังวลห่วงคนรอบข้างเมื่อย้อนกลับใจมันก็หนักไม่เบาด้วยทุกจากอัตตาโปรดช่วยสอนเราด้วยเจ้าค่ะเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระเจ้าทรงสอนขั้นตอนเราก็ต้องละสละด้วยการทําทาน เงิเสลาสิ่งต่างๆทรัพสมบัติเก้าของเงินทองที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีไปให้เราอยู่แบบเรียบได้สมถะแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปรักษาสิ่งไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลงปัญญารักษารักษาศีลงแปไปฝึกสมาธิไปเจริญสติแล้วก็ไปเจริญปัญญาตามลำดับถ้าเรามีทั้งศีลมีทั้สติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา เราก็จะตัดเราก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายได้คุณจันนภาครับกาบศ ร, รัชกาลพระอาจารย์ขอสอบถามหากเราต้องไปเกิดในภพชาติต่อไปเราใช้อะไรไปเกิดคะหรือจริงๆไม่มีเราเลยไม่มีใครไปเกิดคะก็จิตนี่ยไปเกิดจิตก็ไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ยังถูกอำนาจของจิตเหตทันหาความอยากต่างๆดึงให้ไปหาร่างกายม เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่อไปคุณธิติมาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพยายามกําหนดเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วเป็นเวลา น, านานก็ยังไม่สามารถสงบได้จนต้องถอยออกมาแล้วเริ่มต้นใหม่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะหรือพักผ่อนก่อนค่อยเข้ามาปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะขอกลับขอคันวนานำที่ถูกต้องเจ้าค่ะก็ต้องพยายามกําหนดไปเรื่อยๆวิธีที่จะกำหนดได้ผลดีและมีประโยชน์ ได้งายก็คือการกาหนดพุดโทโธพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธภายในใจไปไเรื่อยๆก็จะทําให้จิตมีพลังมีสติมีกล้าสมองสามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างนานแล้วพอออกมาก็จเจริญพุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้าไปใหม่ต่อไปก็จะเข้าไปได้งา่ายได้เร็วได้นาน คุณพิชิตครับการฟังหรือแต่งเพลงที่เกี่ยวกับธรรมะจะเป็นการผิดศีลแปดหรือไม่ครับถ้าถือศีลแปก็ถือว่าผิดเพราะว่าไม่ต้องการให้เรายุ่งกับเรื่องของการดันเทมก็ให้เราเอาธรรมะล้นวนๆดีกว่าอย่าเอาดตรเอาเพลงนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสคุณเจษครับ อบถามครับผมจะเลี้ยงปลาไว้ขายพวกปลาสลิดจะมีผลตบอบาปไหมครับเลี้ยงตักกะแตนไว้ขายกำลังกังวลว่าจะมีบาปกำลังติดตัวไปชาติหน้าครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราส่งเสริมให้มีการกระทำบาปเช่นเราขายไปแล้วเขาก็เอาไปฆ่าเอาไปทำเป็นอาหารน้นก็นถือว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นอาชีพไม่ไม่เรียกก็เป็นสามาชีพชาวพุทธเราไม่ควรจะส่งเสริมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฆ่าเองก็ตาม แต่เราส่งเสริมให้คนอื่นเขาฆ่ามันก็ทําให้เกิดการในการค่าฟันกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกันถ้าเราพยายามไม่ส่งเสริมการค่าการค่าก็จะมีลดน้อยลงไปคุณทิพวรรณครับขอาการอธิบาสการค่ะพระอาจารย์หนู อ, อยากทราบว่าอาหารที่หนูทําไว้กลางคืนแล้วเอาไว้ใส่บาตรยามรุ่งเช้าแบบนี้จะบาปไหมคะถ้ามันไม่บุญมันอาหารที่ไม่ไม่บุญก็ไม่บาป ที่เขาไม่นิยมทำข้างคืนเพราะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นไม่มีที่เก็บอาหารถ้าทำไว้ข้างคืนแล้วตอนเช้าไปใส่ที่อาหารมาันจะบุญ mm hmm. ก็เลยไม่นิยมทำอาหาร mm hmm. เก็บไว้ข้างคืน mm hmm. แต่สมัยนิยมนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมีมีที่เก็บอาหารแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็มีที่อุ่นอาหารให้มันน้อนขึ้นมาเพราะเนื่องจากชีวิตของการอยู่ของเราเปลี่ยนแปลงไป ใช้อาษาเทคโนโลยีกันอยถ้าตราบใดเป็นอาหารที่ไม่บูดไม่เสียให้พูดเวลาใส่บาตร แ, แล้วเวลาผู้เล่าไปรับประทานไม่เกิดอาการเท่าเสียไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายของผู้รับก็ไม่ถือว่าเป็นบาปเลยคุณบุพภาครับการอภิษฎการครับอาจารย์การที่เรามีเมตตามากเกินไปทําให้เราเป็นทุกข์ใจมากเช่นเห็นหมาแมวถูกทําร้ายหรือเจ็บป่วยอย่างนี้เป็นต้น เราจะทําอย่างไรคะในกรณีช่วยพวกเขาไม่ได้ถึงจะหายจากความทุกข์ใจไปได้บ้างคะ ก, คคก็เราก็กคขอโูษว่าเมตตาคําจุนโลกแล้วก็อุเบกขาคําจุนผู้ให้ความเมตตา <S <S 2> <S 2> เข้าใจไหมผู้เมตผู้ให้ความเมตตาแต่ผู้นั้นต้องมีอุเบกขาไว้คอยสนับสนุนเวลาในากรณีที่ไม่สามารถที่จะทําทให้ความเมตตากับทุกคนได้ด้วยช่วยเหลือเขาได้ตามที่เราต้องการ เราก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไปเราก็ต้องมีอุเบกขาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของกร ข, ของเขาที่ทำให้เราไม่สามารถช่วยเหนือเขาได้ฉั้นเราต้องฝึกอุเบกขาด้วยไม่ใช่เอาแต่เมตตาเพียอย่างเดียวเมตตาถ้ามากเกินกำลังก็จะทำให้เราทุกข์ใจได้เพราะเรามีอุเบกขาเราใช้หลักเหตุผลว่าเราก็มีแค่สองมือมีแค่กาลังเท่านี้เราทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น เราไม่สามารถแบกโลกทั้งโลกไว้ในกำมือของเราเพียงคนเดียวเราก็ทำในส่วนที่เราทำได้ไปส่วนที่เราทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของของผู้อื่นไปก็แล้วกันนเมตตาคำจุนโลกอุเบขาคำจุนพวกให้ความเมตตาแต่จำไม่ใช่เลยครับอาจารย์คอับ คุณวราครับการเรียนถามค่ะเวลามดแมลงมาไต่าตามแขนขาเราปัดออกแต่ด้วยขนาดเขาเล็กมากมันเลยทำให้เขาตายแบบไม่ตั้งใจผิดสีเข้อปานาไหมคะคือถ้าเราทารู้ว่าเรากำลังทำอยู่มันก็ต้องมีความตั้งใจนอกจากว่าถ้ามันเป็นการแบบว่าเป็นแบบสัญชาตญาณนี่นก็ไม่ถือว่าบาปเช่นเวลา โดยอะไรปั้มแล้วเราโดยสัญชาตยานแล้วก็ปัดเป็นไปทันทีแต่ไม่แน่นะอาจจะบาดก็ได้เราไม่ไมเราไม่มั่นใจว่ามันต้องมีเจตนามันถึงจะทำได้ใช่ไหมก่อนที่เราจะทำอะไรนี่เราต้องมีเจตนาว่าเราจะทําั้นคิดว่าบาดถ้าไปทาให้เขาตายก็พยายามทำแบบเบาๆอันเถอย่าทำแบบหนักหาอะไรมามาปัดขนไก่หรืออะไรก็ได้ของอะไรที่ทำให้เขาไม่ตาย คุณสมพรครับน้องกราบกุนฉาพระอาจารย์ครับใสบาตตอนเช้าต้องอธิษฐานอะไรบ้างครับน้องกราบสาธุครับท้าอธิษฐานว่าขอโน่นข อ, อนี่ไม่นองอธิษฐานหรอกเพราะมันไม่ได้ใสบาตมันก็ได้ทานบารมีอันนี้สมองทานบาลมีก็คือจะทําให้เรามีทรัพย์มีของต่างๆรอเราอยู่ข้างหน้าหรือว่าถ้าเรารักษาศีลด้วยมันก็จะพาให้เราไปสวรรค์ได้ นี่คืออันที่ส์ของการใส่บาตรทำทานจากอธิษฐานหรืมอมาอธิษฐานก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใส่บาตล่าอธิษฐานว่าขอให้ไปนิพพานนี้มันไปไม่ได้อยู่ดีอธิษฐานไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและอีกอย่างความความจริงคําว่าอธิษฐานทางทางศาสนานี้ไม่ได้หมายถึงให้เราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากการกระทําทของเราคําว่าอธิษฐานที่แปลว่าความตั้งใจ ความตั้งเป้าเราะงั้นก่อนที่เราจะมาใส่บาตรเราต้องมีความตั้งใจก่อนะออวันที่จะใส่บาตรวันพรุ่งนี้จะใส่บาตนี่เรียกว่าอธิฐานแล้วอธิฐานก็คือการตั้งเป้าการกําหนดการกระทําของเราว่าเราจะกระทาอย่างได้อย่างหนึ่งคือความตั้งใจนั่นเองเช่นพรุ่งนี้จะใส่บาตเราตั้งใจพรุ่งนี้จะใส่บาตรนี่เราได้ว่าอธิฐานเราได้อธิฐานแล้วเพราะก่อนจะทํารายด้านเราต้องอธิษฐานก่อนเราต้องทํา เราต้องตั้งใจก่อนตั้งเป้าไว้ก่อนกําหนดกําหนดการกระทําของเราไว้ก่อนว่าเราจะกระทาอะไรเนี่ย ก, การกําหนดการกระทําของเรานี้ใ น, ในาภาษาพระเรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่ขอแตเราบ้างจะใช้คำว่าอธิฐานแปลว่าขอทําแล้วก็ขอให้ได้นู่นได้นี่บางคนก็ขอให้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายก็มีพ่ อ, อป่วยก็มาทําบุญใส่บาตให้แล้วก็ขอให้พ่อหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บ หรือบางคนจะถูกว่าจะจะตกงานก็ขอให้ไม่ตกงานหรือถ้ากําลังหางานใหม่ก็ขอให้ได้งานขอแบบนี้มันไม่มันไม่มันไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอ่ะการทําบุญใจบาทมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราขอแต่บางครั้งมันก็ได้โดยบังเอิญวันนี้เป็นเรื่องของจังหวะพอดีเช่นวันก่อนได้ยินข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเพราะเขาเขาติดโควิดยังไง ถ้ารู้สึกว่าอาการนุนแรงคิดว่าจะตายแล้วเขาบอกสามีว่าโอ้ยหนูจะตายแล้วคิดว่าแม่นอแ น, น่นะสามีก็เลยไปกราบพระในในวัดแห่งหนึ่งแล้วก็อธิษฐานแล้ขอให้ภรรยาหายจากโรคโควิดแล้วจะมาถวายหัวหมงสี่สิบหัวแล้วพอคืนนะั้นพอหลังจา ก, กอธิษฐานขอเสร็จปั๊บอาการของภรรยาก็รู้สึกดีขึ้นอย่างเฉียบพลันขึ้นมาจยาะกทันหหายอย่างสน็จ เขาก็เลยต้องไปแก้บุญด้วยกันไปนี้จะเป็นเรื่องเป็นผลของการการอธิษฐานนี้หรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ทราบนะครับนี้แต่โดยหลักกะโดยหลักธรรมนะไม่มันไม่เป็นถ้ามันเป็นมันก็รับราก็ไม่ต้องทําอะไรทุกครั้งเราต้องการอะไรก็ไปบุญบานกับหลวงพ่อลงคนั้นแต่อยากจะได้อะไรก็ไปบุญบานแล้วดูซิว่าจะได้ทุกครั้งหรือไม่ถ้าได้ทุกครั้งนี่ก็ยอมนับว่าต้องเป็นเหตุเป็นผลดแน่ แต่ถ้าได้ครั้งว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเป็นกำลังใจหรือเปล่าอาจารย์เราําเป็นกําลังใจก็อย่างให้มีความหวังให้มีความห <c oughs> วังว่า <c oughs> อย่างไรเป็นที่ขึ้นสุดท้ายครั บ, ค, รบคุณใหม่ครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในขณะที่เราถือศีลแปดหากเราเผลอตัวยืนดื่มน้ำทำให้เราขาดจากศีลแปดไหมเจ้าคะการจิงการยืนดื่มน้ำนี่มันสำหรับพระมากกว่า พระมีข้มีสินที่ละเอียดไงเวลาจะเดินอย่ารับประทานอะไรไม่ให้ยืนให้นั่งแม้กระทั่งเวลาจะปัสสาวะก็เช่นเดียวกันให้นั่งปัสสาวะไม่ให้ยืนปัสสาวะอันนี้เป็นศินของพระอันนี้ศินแบไม่มีข้อห้ามไหมแต่แต่ว่าถ้ามาถือศินแบบที่วัดบางทีเข้าก็เลยเรียนเรียนแบบตามพระไปด้วยเท่านั้นเอง แต่ไม่ผิดสินแปดเพราะสิแปดไม่ได้ห้าไม่ได้สามหมว่าจะเวลาจะดื่มจะทําจะดื่มนี่จะดื่มจะรับประทานจะต้องจ ะ, จ, ะจะต้องนั่นอย่างเดียวครูจอร์ดครับการธรศาสตร์กา ร, ากการท่านพระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องสี่ครับถ้าเราละเมิดสีขนข้อใดข้อห้าโดยเจตนาจะถือว่าเราผิดสีนหมดทุกข้อหรือเปล่าครับขอบคุณครับ ไม่หรอข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนเหมือนกฎหมายเนี่ยทําผิดผิดกฎหมายขับรถเร็วนี้มันไม่น่าครับว่าเราไปทําผิดกฎหมายในข้ออย่างอื่นด้วยเขาก็ปรับเราข้อเดียวอันนี้ก็เหมือนกันทําผิดข้อไหนมันก็ผิดข้อเดียวไม่ได้ผิดทั้งห้าข้อคุณแพทครับลูกติดโควิดติฉันรู้สึกเป็นห่วงวิตกกังวลเศร้าสติที่เคยฝึกแตกกะเจอหมดเลยค่ะขอพระอาจารย์แนะนําด้วยเถิดค่ะ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะไปสามารถไปควบคุมบังคับมันได้จะหายหรือไม่หายนี่มันก็อยู่ที่เรื่องของการรักษาเรื่องของยาเรื่องของหมอเนี่ยง้นสิ่งที่เราต้องทำใจก็คือต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นสุดวิสัยเกินวิสัยที่เราจะไปไปไปทำอะไรได้เราก็เลยต้องมาฝึกจิตใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็รอ เราดูเหตุการณ์ไปหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราไปทุกข์ไปขมวนมันก็จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่นเราต้องมาหัดฝึกใช้สติใช้สมาธิใช้ควเบกขานับกับเหตุการณ์ต่างๆ คุณสุปตาครับหนูลองถือศีนแปดที่บ้านหนูทานอาหารมื้อเดียวรอบเช้าแต่ก็มีทานผลไม้รอบบ่ายแต่แฟนบอกว่าเขาห้ามทานของที่มีการเคี้ยวและหนูไม่ดูทีวีเลยแฟนก็บอกว่าดูข่าวได้อยู่อยากให้พระอาจารย์แนะนําในการปฏิบัติด้วยค่ะเรื่องอาหารนี่ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวของบางอย่างเคี้ยวได้แต่แต่บางอย่างเคี้ยวไม่ได้คืออะไรที่ถือว่าเป็นบวชของอาหารนี่รับประทานไม่ได้หลังจากเชี่ยงวันไปแล้ว แต่กอบางยากถ้อยู่ในหมวดยาแล้วต้องเคี้ยวเช่นบางทีรับประทานยาบางชนิดต้องเคี้ยวยา ก, ก่อนแล้ว ค, อค่ อ, อยขืนนี้เคี้ยวได้แต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เรารับประทานนั้นอยู่ในหมวดไหนถ้าเป็นหมวดอาหารนี่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วรับประทานไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวก็ตามบางคนก็เลยใช้สีนอนใช้เอาหารที่จะต้องเคียวนี่เป็นบทให้มันละเอียดแล้วก็เดือดเข้าไปอันนี้ก็อันนี้ก็ผิดอยู่ดี มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการเคี้ยวไม่เคี้ยวอยู่ที่ว่าสิ่งที่เรารับประทานนี่ถือว่าเป็นหวดของอาหารหรือไม่เช่นสําหรับพระ ธ, ธรำยุทธน์นี่ท่านถือว่านมนี่เป็นหมวดของอาหารไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมแพะนมถั่วเหลืองนี่ถือว่าเป็นอาหารดื่มไม่ได้แต่สําหรับพระที่อยู่ในนิกายมหานิกายนี้ท่านถือว่าเป็นเครื่องดื่มดื่มได้นั่นก็แล้วแต่ว่าจะไปวิเคราะห์ว่าอยู่ในในหมวดไหน ถือว่าเป็นอาหารก็รับประทานหรือไม่ได้รับประทานไม่ได้แล้วส่วนการดูนี้ก็อยู่ที่เราถ้าต้องการจะเขร่งคัดแค่ไหนถ้าเราไม่ต้องการจะรับเรื่องราวต่างๆถึงแม้จะเป็นเรื่องราวข่าวสารก็ไม่ดูดีกว่าเพราะการดูเรื่องราวถึงแม้จะเป็นข่าวมันหนึ่งมันก็ทําให้เราเสียเวลาแทนที่เราจะเอาเวลาไปฝึกสมาธิไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมานั่งดูข่าว แล้วพอดูข่าวแล้วเป็นได้ข่าวที่ไม่ดีขึ้นมาก็จะทําให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นไหมก็จะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิของเราได้เังนั้นทางที่ดีอย่าไปดูมาเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องบันเทิงจะเว้นดูธรรมะได้ดูดูธรรมะได้วัตถุนี้เป็นเป็นปัญญาเป็นคําสอนของท่านเจ้าที่จะบอกให้เรารู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้อง ดูธรรมะได้ทาธรรมะได้อาจารย์ครับการเรียนถามครับอย่างตอนที่ผมบวชเนี่ยครับพอตอนถ่านร้อนน้นําชาเนี่ยจะมีพวกมะขามป้อ ม, าามอ น, นอะครับอาจารย์ก็เขียวอานารยถือว่าถือว่าเป็นยาเนี่ยเป็นยาทาย่าร<อ>ะบายแในบางทีก็มีไดบ้บางวัดบางวัดนี่จะมีพวกผักมีพวกใบมุ้งใบไม้ที่ก็ถือว่าเป็นเป็นยารักษาช่วยช่วยระบาย เพราะพระาบางทีท่านมีปัญหาเรื่องโรคสีด้สีดวงทวารกันเพราะอาหารของท่านอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนของทางยากโยมอาจจะไม่มีผักไม่มีอะไรมีแต่ข้าวปลาไม่อะไรอ ก, กินเข้าไปแล้วก็มักจะท้องผูกก็บางทีจะต้องอาศัยยาพวกนี้มาช่วยระบายพวกมักมาขางป้องพวกสมอดองแลก็มีพวกใบไม้บางชนิดที่เอามา เอามาฉันกับพวกสมอดองได้มาจิ้มกับพริกกับเกลืออะไรนี้ไปเาได้ญาติบอกที่บ้านภาคกำลังกินมือมอม้อเย็นยังไงเห็นนั่งมีผัก เ, เต็มโต๊ะเต็มเต็มไปหมดเลยแต่นั้นเป็นยาถ่ายเป็นใบไมาา้เป็นสมุนไพรครับตอนนั้นก็ฉันตามปูบาอาจารย์ไปเลยครับเขาเรียกว่าปรมัต์เขาเรียกว่าปร า, มา ร, ารามาิตยาควาลามิตคุณชาติไทยครับ เล่นหวยผิดสินไหมครับอาจารย์อาจจะถือว่าเป็นการพนันได้ไม่ผิดสีนแต่เป็นอบายมุกไม่ผิดสีนไม่ไม่ผิ ด, ผดสินห้าคนถือสินห้าในแทงหวยได้เยอะแต่จะเป็นผิดจะเป็นเป็นอบายมุกซึ่งอาจจะทําให้อาจจะทําให้ทําผิดศีนต่อไปได้เพราะเล่นเจ๊งแล้วก็อาจจะไปขโมยเงินคนอื่นมาเล่นต่อก็ได้ นันเขาอย่าไปเล่นดีกว่าเล่นการพนันแล้วเดี๋ยวมันทําให้เราต้องไปทําบาปต่อไปคุณบัวทองครับอยู่กับคนศีลไม่เสมอกันเช่นสามีดื่มเหล้าเราไม่ดื่มจะทําอย่างไงถึงจะไม่ทูกใจครับก็ต้องถือว่าเขาว่าเราเป็นคนละครกันเลยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะทําอะไรของเขาก็ได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรของเราก็ได้แต่คนก็ต่างอยู่ไปใช้หลักใช้หลักที่เรียกว่า ให้สมวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนนะแต่ไหนเมื่อเรายัางเป็นจะต้องอยู่กับเขานี่ส่วนที่ไม่เหมือนกันเราก็ต่างคนต่างสมุนกันไว้ก็แล้วกันเขาเดื่มเหล้าเราดูหนังนี้ก็เขาก็ปล่อยเขาดูเหล้าดื่มเหล้าไปแล้วก็นั่งดูหนังของเราไปแต่ถ้าเขาชอบทําสิ่งเดียวกับที่เราทําที่เราทําได้ชอบไหวพระส่วนมนตเราก็ชอบไหว้พระส่วนมนตก็ประสานกันทำท ำ, ทำส่วนที่เราประสานส่วนเหมือนแล้วก็ สมวนส่วนต่างยาวส่วนต่างมามามารวมกันเพราะมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ต้องหัดอยู่ร่วมกันให้ได้ด้วยการประสานส่วนเหมือนสง ว, วนส่วนต่างคุณธนิตาครับการธรรศสตร์การพระอาจารย์เจ้าค่ะขอการาบเรียนถามการสมาทานศีห้ากับการสมาทานศีนกรรมบทสิบอันนี้สองต่างกันอย่างไรคะคือกรรมบทสิบก็เป็นเป็น เป็นเรื่องของการกระทาทางกายวาจาใจที่ละเอียดขึ้นไปธารมาบทสิบก็มีไม่ไม่ไมีศีลทางทา ง, ทางการกระทาทางวะทางกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ดืกมสรายาเมาอีส่วนทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้์ไม่พูดสอเสียง ทางใจก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงซึ่งมันก็ต่างกันเพราะมันมันละเอียดกว่ากันพูดง่ายงสินท่านี้เราเพ่งแต่เอาแต่เรื่องเรื่องข้อห้าห้าข้อการกระทําทางกายทางวาจาถึงแม้จะมีความโลภอยู่ก็ไม่ถือว่าผิดเพราสินท่าไม่ได้ห้ามไม่ให้โลภห้ามไม่ให้โกรธแต่ถ้าถือกรรมาบดเรื่อนี้ถือว่าห้ามหมดห้ามโกรธห้ามโลภห้ามหลงห้ามพูด บด ห, ห้าพูดคำหยาห้าพูดส่อเสียห้าพูดอะไรอันนี้เป็นเป็นศีงที่ละเอียดสำหรับผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงคือพวกพระภิกษุด้วยนักบวชทั้งหลายที่จะถือกันจากเด็กหญิงน ว, วรัตครับการฝึกอาณาเพื่อขัดและฝืนไม่ทำตามอารมณ์และความคิดได้ไหมคะได้เฉพาะเวลาที่นอนนั่งสมาธินะ เพราว่าอ น, นาปนานสติก็คือการดูลมหายใจเขาซึ่งเป็นของละเอียดมากถ้าเราเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆนี่จะดูลมได้ยากมันไม่ไม่มีเรามาคอยเป็นตัวคอยช่วยให้เราขัดให้เราฝืนมันก็จะทําทให้เราขัดกราฝืนได้ยากถ้าเราอยากจะขัดกระฝืนนี่เวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธินี่ให้ใช้คําบริกรรมพุโทโธแทน เป็นเวลาอยากจะทำอะไรขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำเดี๋ยวสักครู่เนี่ยมความอยากจะทำสิ่งนั้นก็จะหายไปได้ถ้าเรามีคำริกรกมพุโทโธพุโทโธคุณมนพัดครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งสามารถแก้ไขหรือเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ได้ไหมเจ้าค่ะก็ของที่เราทาผิดไปแล้วก็เหมือนแก้วมันแตกไปแล้ว จะเอามาทําให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ผ่านไปแล้วก็หาแก้วใหม่มารักษาต่อแล้วก็รักษาข้อต่อแล้วก็รักษาใหม่ไปนั่นเองเช่นเราเผลอพันพูดโกหกไปเข้าหน้าเราเขพยายามระมัดระวังมากขึ้นหรือถ้าจะให้ดีถ้าอยากจะให้เราไม่กระทําผิดซ้ําซากก็ต้องลงโทษตัว เ, เองเช่นเราชอบทําอะไรเรื่องในบางอย่างแล้วก็งดเสียชอบดื่มกอชอบรับประทานของอะไรบางอย่าง แต่เราต้องการทําโทษตัวเราเนื่องจากที่เราทําผิดแล้วก็ห้ามไม่ให้กิงสิ่งที่เราลักเราชอบหรืดื่มในสิ่งที่เราลักเราชอ บ, อรรรชอบหรือทําในสิ่งที่เราชอบทําเพื่อจะได้มีการเาตือนสติเตือนใจมีการลงโทษจะทําให้เราเ ป, เป็นการปราบไม่ให้เราทําผิดซ้ําซากได้ คุณสุทธิรัตน์ครับการเป็นถามพระอาจารย์ครับคนที่เป็นเกย์ที่ชอบผู้ชายด้วยกันสามารถบวชได้ไหมครับรู้สึกว่าเขาจะห้ามนะถ้าสมัยบวชเขาเรียกอะไรบ บ, บ, บันดาะใช่ไหมเป็นบันเดาะเป็นกระเทยนี่แต่สมัยนี้ก็มีบวชกันเยอะเพราะเขาไม่บอกว่าเขาเป็นเกย์แล้วเราจะไปรู้ได้ถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้นั้นก็อยู่ที่อุปชาพวกรับบวชว่าท่านจะท่านจะพิจารณาอย่าไงไร แต่พู้ตามหลักธรรมแล้วเ้าเขาไม่อยากให้ให้ผู้ชายที่เป็นเกย์มาบวชเราอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเวลาอาบน้ำร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้คุณพีสครับกลับเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะในวันเดียวกันเวลาจเจริญสติจะเปลี่ยนคำบริกรรมได้ไหมคะเช่นพุทโธบ้างพุทโธธรทรมสังโฆ บ, บ้างหรือสวดพุทธคุณบ้างได้ได้เปลี่ยนบ้างเพื่อ เพื่อถ้ามันเบื่ออย่างเดียวก็เปลี่ยนได้เ ป, เป็นพุทโธบ้างสวดมนต์บ้างก็ได้สวดเอพิสูบ้างก็ได้แล้วแต่จะจะจะเหมาะสมกับเราในช่วงนึงคุณกำมณฑำครับมีสิ่งมากระทบใจทำให้อารมณ์โกรธพุ่งขึ้นมารู้ว่าโกรธแต่คุมไม่อยู่ควรจะจัดการอารมณ์ตัวเองอยังไงดีคะก็ใช้พุทโธเนี่ยพอเริ่มกรดขึ้นมาก็เริ่มท่องพุทโธไปเลย อยู่กับพูโทโธพูโทโธพุโทโธถ้าไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็ลืมพอลืมแล้วเดี๋ยวอารมณ์โกรธก็จะหายตามไปมีคำถามจากคุณทิพวันครับขอถามนะคะพระอาจารย์ว่าหนูผิดหวังเรื่องความรักเพราะเคยทำผิดสีข้อสามมาค่ะหนูทำให้แฟนต้องมาตายเพราะหนูไม่เคยลืมเรื่องอดีตได้เลยหนูรู้สึกผิดมาตลอดควรทาอย่างไรดีคะถ้าเป็นเรื่องของ ก็เราต้องใช้ปัญญาสอนเราว่ามันความตายนี่เป็นเรื่องสุดวิสัยไม่มีใครไม่มีใครอยากจะตายกันแต่เมื่อมันถึงเวลาที่เขาต้องตายถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทาที่ตั้งใจของเรานี้ก็เราก็ไม่ควรที่จะไปกังวลก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายของคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วในในที่สุดก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคน มันก็ไม่มีใครสามารถมายับยั้งมาห้ามได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายเมื่อเขาตายแล้วก็เราก็ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไปถ้าทุกครั้งที่เราจะคิดถึงเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธพุทโธล้มมันออกไปจากใจได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดถึงเรื่องนี้ได้คุณสมพรครับน้องกับ นักมกัธยาสตร์บุตรฉาบอาจารย์นะครับกับผมทํางานเพื่อยังชีพไม่ได้หวังความก้าวหน้าไม่ได้หวังตําแหน่งพอใจในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีเน้นความสุขความพอเพียงความพอใจเน้นความสุขใจอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติทํางานได้ถูกต้องไหมครับรอาจารย์ใครจะเก่งใครจะได้ก้าวหน้าได้เงินสูงก็เป็นความรู้ความสามารถของเขาเรามีความพอใจเรารู้ความสามารถของเราคิดอย่างนี้ได้ไหมครับรอาจารย์ได้ครับได้ได้คิดอย่างนี้อดีที่สุดคิดว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปแล้วสิ่งที่เราได้ตอบแทนมาก็ถือว่า สมเหตุสมผลกับ <c oughs> เหตุที่เราทําไปไม่ได้วังอะไรไม่ไมากไปกว่านั้นเรียกว่ามักน้อยสําโดษยินดีตามมีตามเกิดคุณวินาครับกลับขออนุญาตเป็นถามพระอาจารย์ว่าผู้ทรงสีเช่นพระพิสุทธิ์ทำบาปกับคารวาสทาบาปเหมือนกันเช่นการล่วงประเวณีโทษของบาปจะเหมือนกันเท่ากันไหมคะกลับขอความเมตตาคะ่ะเท่ากันเน่ะเพราะมันก็เป็นการกระทําเหมือนกัน แต่บางคนก็ที่ว่าถ้าเป็นพระเราจะบาปมากกว่าแต่ความจริงมันก็เท่ากันแต er ่ไทม์ชาร์เบอ ร, ร์เลอ ร, ร์ครับการทัศการครับของกาศครับวิราคะวิมุติและนิพพานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับขอบพระคุณครับก็ว่าวิราคะคือคือการตัดสจากราคะราคะคือความกำหนัดยินดีซึ่งถ้าพูนพูน่าถ้าเป็นคำรวมมันก็ ปราศจากความยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัดความอยากทั้งหมดได้ไปจากใจก็เรียกว่าวิราคะตัดการมาตัญหาได้ตัดภาวะตัญหาได้ตัดวิภาวะตัญหาได้ก็จะได้วิบุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อในว่านี้ผ่านนี่จิตทิ้งพ้นกน็ในวันนี้ผ่านก็ทั้งสามคำพูดนี้ก็ มีความหมายเหมือนกันคุณสมปองครับกลับไปถามพระอาจารย์เราไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ด้วยความว่าอยากให้พ่อแม่กินเราไม่กินได้ซ้ําแต่รู้ว่าพ่อแม่ชอบกินเราหาเราทําฆ่าแบบนี้ลูกบาปมากไหมเจ้าคะตัวลูกรู้แก่ใจว่าทุกชีวิตมีค่าแต่ทุกวันพระครอบครัวลูกจะไม่ฆ่าสัตว์ขอคําชี้แนะให้ลูกเบาใจลูกไม่อยากลงนรกเจ้าคะ่ะบาปตอนทำสัตว์ที่เราไปฆ่าหนือว่าเขาถามว่าบาปไหมบาป เวลาใครก็มาฆ่าเราถึงแม้เขาฆ่าเราเพราะเขาอยากจะให้พ่อแม่เขาได้กินเนื้อสัตว์เนื้อของเราเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรทุกชีวิตทก็มีความนักชีวิตของตอนเองเท่าเท่ากันไม่ว่าจะจะด้วยเหตุผลกลไกใดเขาก็ไม่อยากจะเสียชีวิตของเราไปแล้วมันเป็นการกระทำบาปอย่าเอาเห็นอย่างอื่นมาอ้างมาทำเพื่อคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งเห็นก็เจ็บไายได้ป่วยแล้วเห็นาาาก็าทรมานก็ ฆ่าเขาเลยเขาจะได้หมดทรามารย์เขาได้การรุนคาญอย่างนี้ก็บาปเหมือนกันคุณอุสลีครับอาจารย์ครหนูอยากให้อภัยจากใจจริงแต่ไม่ขอคบกับคนที่สร้างทุกข์ให้หนูมันจะจบเวรกรรมกันไหม่เจ้าคะถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาไม่ไปก่อกรรมก่อเว ร, รกันใหม่เดี๋ยวเวรเก่าที่มีไว้มันก็จะหมดไป คุณนัทนานครับการนักวิชาการพระอาจารย์คะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เกี่ยวกับการป่วยของคนในตระกูลหากป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามคนในตระกูลเดียวกันก็จะป่วยด้วยโรคเดียวกันหรือเปล่าครัอ๋อนี่ไม่ใช่เรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมพันธุ์ซึ้นเป็นเรื่องของทางร่างกายก็เรส่วนกันไม่เกี่ยวกับกรรมอ่าั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมที่เราพูดถึงซึ่งเป็นเรื่องของทางด้านจาิตใจกรรมกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์ทางจิตใจก็คือเป็น เป็นพันดีแล้วเป็นพันเชื่อเป็นคนดีแล้วเป็นคนเบวนี่อย่เรื่องของร่างกายถ้าพ่อแม่เป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรแล้วลูกก็เกิดมาก็เป็นอะเรต่งางนี่อันนี้เป็นเรื่องของทางร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมแต่เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ของร่างกายคุณวริยาครับกาบ ร, รรับราการพระอาจารย์เจ้าขาเริ่มมาปฏิบัติค่ะแต่มันยากมากเลยเจ้าขาเลยหันมาฟังธรรมะ ของพระอาจารย์ก่อนนอนนะคะและพยายามจะนิ่งและกําหนดพุโทโธแต่บอกเลยว่ายากนะเจ้าค้าจะปฏิบัติอย่างไรดีคะก็ต้องมันกาหนดพุโทโธอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราจะนั่งเพียงอย่างเดียวทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปคอยกํากับความคิดคอยหยุดความคิดไปเรื่อยๆแล้วเวลามานั่งมันจะรู้สึกง่ายขึ้นไม่ยากเลย คุณบีครับถามว่าจิตมาจากไหนคะอันนี้ก็ไม่มีใครรู้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้พรามันเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ของที่มีอยู่เป็นอยู่ในในโลกนี้ก็มีอยู่หกชนิดเรียกามาหาธาตุธาตุน้ํำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอวกาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้คือจิตนี่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนเพราะมันไม่มีที่มาที่ไป มันมีของมันมันมีมันมีของมันอยู่อย่างนั้นมาตลอดเวลาคุณสมพรครับน้องกับปุจฉาพระอาจารย์ครับการเจริญสติปสติสมาธิปัญญาต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีสติครับน้องกับสาธุครับก็ให้เราเราเลึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจน ถ, ถึงเวลาเราหลับเนี่ยพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอันนี้วิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดสติขึ้นมา อีกวิธีหนึ่งก็คอยให้เราคอยเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายของเราไม่ว่าเรากําลังทําอะไรร่างกายกําลังทําอะไรให้เราเฝ้าดูเฝ้าดูร่างกายเราเหมือนเหมือนยามเฝ้าดูนักโทษอย่าปล่อยให้คลาดจากสายตาไปอันนี้ก็เป็นการฝึกสติเพื่อดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาปกติใจเราต้องจะลอยไปตามอารมณ์ตามความคิด ต, าตา่างๆไม่ได้ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีสติที่จะควบคุมให้จิตอยู่ ในความสงบได้แั้นเราต้องใช้การบริกรรมพุโทโธโดยใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหว ต, ต่างๆของร่างกายเพื่อเป็นการมังคับให้ใจให้อยู่กักที่ไม่ให้ไหลไปตามกระแสะของความคิดต่างๆคุณแสงวันครับการละเมธสการ์ครัอาจารย์เรียนถามว่าเวลาที่เราไปทําบุญที่วัดเราเอาเงินของเราให้แม่และพี่สาวทําบุญเขาทําบุญแล้วเราจะได้บุญร่วมกันกับเขาไหมคะลรเมธสการค่ะบ ได้ถ้าเป็นบุญของถ้าเป็นการของเราแล้วเราสายก็ทําให้เราเรานี้เราได้ทั้งหมดคุณอีฟครับกลับเียนถามพระอาจารย์ทํานั้นได้เข้าไปประจักษ์แก่หัวใจแต่ไม่กล้านั่งสมาธินานกลัวไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นในสมาธิกลัวหลงจึงไม่กล้านั่งนานเจ้าค่ะอันนี้ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับการทําเข้าไปประจักษ์แก่หัวใจ ถ้ามิทำเข้าไปในประจักษ์ไอ้หัวใจแล้วจะไม่เกิดความกลัวเพราะเข้าใจว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนั่นเองอย่างที่ที่ยังมีความกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังมีความหลงยังมีโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจจึู่ยิ่งทำให้เมตการนั่กลัวอะไรต่างๆจะมาทําร้ายจะจิตใจบ้างมาทําร้ายร่างกายบ้างทั้งๆท่ามิทําเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรสามารถมาทําร้ายจิตใจได้และไม่มีอะไรที่จะไปห้ามไม่ให้ ร่างกายนี้ถือแก่ความตายได้เมื่อถึงเวลาของมันคนที่มีเห็นธรรมจริงๆแล้วประจักษ์กับอาจารย์แกว้ววใจแล้วจะไม่มีความกลัวจะนั่งได้อย่างสบายคุณสมหมายครับคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคดโกงคนอื่นชอบโกหกเช่นนี้เขาบาปมากไม่ค้าตายไปเขาจะไปเช่นไรค้ากับ น, นรัตการเจ้าค่ะก็อยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยคือบาปนี้มันจะหนักตั้ หนักเบาตามลำดับข้อหนึ่งนี้จะหนักที่สุดฆ่าผู้อื่นฆ่าสัตว์นี้หนักกว่าการลักทรัพย์การลักทรัพย์ก็หนักกว่าการระพูดผิดประเพณีการมาพูดผิดประเพณีก็หนักกว่าการพูดปดการพูดปลดก็หนักกว่าการดืม่มสุรายามเมาเป็นต้นนี่คือความหนักเบาแล้วมันก็มีการกระทำมากกระทำน้อยขึ้นมาเงั่นมั น, ม, ม, น ม, มันมีทั้งชนิดของ บาปที่เราทำแล้วก็ปริมาณของการกระทํำว่ามีมากมีน้อยด้วยเป็นตัวที่จะทําให้มีบาปมากขึ้นหรือน้อยลงคุณวลีวันครับขอพระอาจารย์เมตตาค่ะบางวัดจเจ้าอาวาสมีเงินส่วนตัวเยอะมากพระครอบครองเงินได้หรือไม่เจ้าคะคือปกติที่พระวุทจ้าก็ไม่ให้พระครอบครองเงินคือเงินนี้ให้เป็นให้ให้มีคาวาะที่ไว้ใจได้เป็นผู้ดูแลรักษา เวลาที่ต้องการมีความจะใช้เงินเพื่อที่จะเอามาให้แก่สิ่งที่จําเป็นต่อสมณบริโภคคืองานนี้มีไว้เพื่อมาสนับสนุนปัจจัยสี่ในกรณีที่ไม่ได้จากการบินตบาบอดขาดแคเช่นมันบินตบาบอดนี้บางทีไม่มียาที่เราต้องต้องใช้รับประทานเองเราก็อาจจะเอาเงินที่เขาถวายนี้มาไปซื้อยามารับประทานได้แต่ถ้ามีมากจนกระทั่งเป็นเศรษฐีขึ้นมานี้ ก็ไม่ควรจะมีควรจะเอาไปบอยจากถวายให้วัดที่ตนเองอยู่ก็ได้หรือไปสร้างวัดใหม่ก็ได้หรือไปสนับสนุนวัดที่เขาคนอยากขาดแคลนก็ได้ไม่ควรที่จะเก็บไว้ถ้าไม่ควรจะมีทรัพย์สมบัติมากมากเกินไปถ้ามีอาจจะมีการจาเป็นชาวาะวะบางทีร่างกายเรามีการจะเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนี้แลวต้องใช้ใช้ใจ่าย อันนี้ก็มีไว้ได้แต่ถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เลยก็ไม่ต้องเก็บมาไว้ดีกว่าเพราะว่าเงินทางนี้มันจะเป็นเป็นปัญหามากกว่าเป็นประโยชน์คุณสมพรครับน้องกัลป์วัฒนการพระอาจารย์ครับนิยามของคนที่ประสบความสําเร็จดูกันตรงไหนครับพระอาจารย์น้องกัลปสาธุครับเขาได้อะไรถ้าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็เขาก็ประสบความสําเร็จ ถ้าก็อยากจะได้เงินล้านพอเขาได้หาเงินได้เงินล้านก็ถือว่าเขาได้ประสบความสาเร็จถ้าเขาต้องการได้ปริญญาเองเขาเรียนจบแล้วแล้วเขาได้ปริญญาเองนั่นก็คือความสมมมํเาเร็จของเขาถ้าเป็นทางพระถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถือว่าได้ได้ประสบความสมมเาเร็จของเขาแล้วนั้นก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นคืออะไรแล้วเขาได้หรือไม่ ถ้าเขาได้เขาก็ได้ประสบความสาเร็จนะไม่ทรถถาบฐานตอบถูกก็เปล่าไม่รู้นะเพราะไม่ทาบว่าถานเท่าไหร่น่าจะถูกแล้วครับมาได้ครับคุณศรัท ธ, ธาครับกลาวเรียนผ้าจานด้วยครับว่าเราสามารถทราบได้ไหม่ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ขั้นไหนแล้วอาทิเช่นพระโสดาบาันสกิทาอนาคาพระอาหารหันต์ครับผมกล่าวขอบพระคุณครับคือถ้าเราไม่ได้อะ ศึกษานิยามของคำว่าพระโสดาบันเป็นอย่างไรนิราจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราเป็นพระโสดาบันแต่สิ่งที่เรารู้อยู่ในใจนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราเช่นถ้าเราไม่กลัวตายเราก็รู้ว่าเราไม่กลัวตายถ้าเราไม่กลัวเจ็บเราก็รู้ว่าเราไม่กลัวเจ็บนีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้แต่เราจะไม่รู้ว่าการรู้แบบนี้การเป็นแบบนี้เป็นเป็นอะไรกันน่ พอเรามาอา่านหนังสือแล้วก็บอกว่าเอาพระสวัสดิวันไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บในความเชื่อในพระพุทธก็ทำผสมร้อยเปอร์เซนอย่างนี้มันก็เป็นมันตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในใจของเราแล้วก็เราก็จะมาดูทีหลังว่าอ๋อเราเป็นพระสวัสดิวันตอนนะคุณที่พวันครับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าพระโพธิสัตว์แตกต่างกับพระพุทธเจ้าอย่างไรคะพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลที่ สร้างบารมีเพื่อให้มาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นต้องสร้างบารมีทั้งสิบข้อด้วยกันเช่นทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีในขมารบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีสศจละบารมีวิริยะบารมีแล้วก็ขันติบารมีนี่คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่พยายามสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ เช่นพระเวชสันดอนซึ่งเป็นภพของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างทานบรารมีพระเตมีท่านก็สร้างอุบเบกขาบรารมีพระพร ะ, ะไรที่ว่ายน้ํานี่ท่านก็สร้างสร้างวิ ร, ยริยะบารมีความความขยันหมันเพียรอันนี้ก็เป็นบรารมีที่ผู้ที่ต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างขึ้นมาเอง พอได้ครบทั้งสิบารมีก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้คุณเบลล่าครับการัิพาธการเรียนถามว่าการที่เราติดโรคหรือป่วยด้วยโรคระบาดหรือตกอยู่ในภาวะสงครามต่างๆหมายความว่าเราทำผิดสี่ข้อหนึ่งมาเยอะใช่ไหมคะไ ม, ไม่แน่นอนเหรอเพราะว่าบางที <c oughs> มันเกิดเรื่องของภาวะของธรรมชาติที่เมื่ม า, มาเกิดแล้วต้องมาเจอันไม่ต้องไปกังวลมาก ให้รว่าการมาเกิดนี้มันจะทําให้เราต้องมาพบกับวิบากกับมชนิดต่างๆมากน้อยก็อยู่ที่กรรมที่เราสร้างมาในอดีต ด, ด้วยคุณโต้งครับกล่าวในพิธ ก, การท่านอาจารย์ครับเวลาที่สวดมนต์แล้วจิตเกิดเห็นว่าเราไม่ใช่ผู้สวดเป็นแต่ผู้เห็นเป็นการรู้ที่ถูกในทางปฏิบัติไหมครับขอความเมตตาด้วยครับต้องดูลักษณะไหนถึงจะอยู่ในทางที่ถูกที่ควรครับก็ ก็ดูว่ามันทุกอย่างมันเป็นเป็นสิ่งที่มีการเกิดมีการเกิดแล้วมีการดับไปนะผู้ผู้รู้นี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ดับกับสิ่งที่เห็นว่าเกิดว่าดับดูเห็นในการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆนี้แยกกันออกว่าเป็นคนส่วนกันเช่นเราเห็นร่างกายเราทํำนู่นทนํานี่เราผู้เห็นนี่คือจิตนะส่วนผู้ที่ถูกเห็นก็คือร่างกายซึ่งถ้าเราไม่ได้มาศึกษาธรรมะเราก็มักจะคิดว่าเรากับร่างกายนี้เป็น คนเดียวกันแต่พอเรามาศึกษาแล้ว ม, มาฝึกปฏิบัติเช่นนั่งสมาธิมาสวดมนต์นี่นมันก็อาจจะทำให้เราเห็นการแยกตัวของจิตกับร่างกายได้คุณสมพรครับน้องกากธรรมสการปุจฉาปอาจารย์การเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเด็กๆที่ถูกต้องตามหลักศาสนาต้องเป็นกันอย่างไรครับน้องกาบสาธุครับ ก็ต้อเราหลักธรรมคำสอนขององค์พระเจ้ามาสอนให้เหมาะสมกับะระดับของเด็กนั่นเองถ้าสอนเด็กก็สอนให้เด็กมีความกระดานยูรู้คนสอนเด็กให้มีสัจจะไม่โกหกก็ <c oughs> <c oughs> สอนในสิ่งที่เด็กเขเข้าใจแล้วสามารถนําออกไปปฏิบัติได้ไม่ใช่มาสอนสมาธิสอนไฟลักอันนี้จำทุกครังหน้าตาให้กับเด็กเลยเด็กเขาจะไม่เข้าใจและไม่สามารถจะนําออกไปปฏิบัติได้ สอนในสิ่งที่เด็กสามารถทําตามได้เช่นให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักไหว้พ่อไหวแม่ไว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีความเคารพมีความอ่อนน้อมอนีสน้สอนตามฐานะของเขามีคุณอุดสลีครับบอกว่าชีวิตหนูมีบุญที่สุดค่ะที่ได้าพบพระอาจารย์และได้มีพระอาจารย์อบรมสั่งสอนทังธรรมให้หนูมีชีวิตหนูมีความสุขจากธรรมะ ข, ของพระอาจารย์เจ้าขานัน จ้ถาวอาจารย์ครับอีกสักคำถามนะครับอาจารย์ครับคุณเจ๊เล็กครับการธรรมสการ์ค่ะการเป็นถามว่าคุณสมบัติของพระโสดาบาันมีรายละเอียดที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ง่ายๆคืออะไรบ้างคะคือเชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อจะสุขื็จะทุกได้อยู่ที่การาการกระทของเรา ไม่ได้อยู่ที่การไปบนบานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นพระโสดาบันนี่จะจะเชื่อกดแห่งกรรมจะทําแต่กรรมดีกรรมชั่วจะไม่กระทําโดยเด็ดขาดแล้วเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงเป็นของจริงไม่ต้องไปที่อินเดียไปดูว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะจะเห็นจากการปฏิบัติว่าคออําคสอนพระเจ้าต้อกเปี้ยเลยเมื่อคําสอนพระเจ้าต้งเปี้ยคนสอนต้องก็ต้องมีอย่างแน่นอน แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับร่างกายของตนเองไม่ของผู้อื่นคือความที่ให้ร่างกายของตนไม่ของผู้อแก่เจ็บตายจะไม่มีความรู้สึกเศร้าสศกเสียใจแต่อย่างใดนี่ถือนลักษณะของพระโสดาบนะอาจาย์ครับสามทุ่มึ่งนะครับพระอาจารย์ครับผมขอโากาศพระอาจารย์และเพื่อนๆ น, นะครับแจ้งคนที่ฟังธรรมด้วยกันในวันนี้นะครับมีคนที่ฟังธรรมจากเฟซบุ๊กแปดร้อยสามคนครับ จากยู u ูบหกร้อยสี่ิบเอ็ดคนแล้วก็ขับเฮายี่สิบคนนะครับวันนี้มีคนที่ฟังธรรมด้วยกันตอนนี้พันสี่้อยหกสบสี่คนครับอาจารย์ครับก็ยินดีที่ได้ร่วมฟังธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอท่านทั้งหลายไปเร้วหวังว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก, ก็คงจะได้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอลาไปก่อนเนะครับ